แทนที่เราจะเป็นเี้ยวรั้วอะไรอย่างเงื ables, like ่นแล้วเราก็มารู้กายรู้ใจจิตใจหนีไปเราก็รู้ร่างกายเคลื่อนไหวก็รู้จิตใจเคลื่อนไหวก็รู้รู้ไปเรื่อยถึงจุดหนึ่งจะเห็นว่าเราบังคับไม่ได้ถ้าไม่ได้บังคับไม่ได้นั่นคือตัวธรรมะนะถ้าไม่ได้บังคับไม่ได้ไม่อยู่ในอำนาจนั่นคือสัมมวันัสตาเมื่อไหร่เห็นกายเห็นจิตเห็นอนัสตาก็เห็นธรรมะนั่นแหละไอคิดทราบไหมเนี่ยหันอย่งนี้ นะพอจิตเราขลังไปอยู่ในโลกของความคิดเป็นเกณฑ์ห้เรารื้อกายรื้อใจในขณะที่หลงไปในความคิดเราลืมกายลืมใจนี่คือศัตรูใหม่แค่อีนะกวราคุณดูได้ว่าตกจิตออกนอกก็คือหลงแลนั่นเองไม่หนไหีไปคิดอีกแล้วดูออกไหมถ้ามไม่ได้นะหลวงพ่อไม่ได้บอกให้เราห้ามนะหลวงพ่อให้หัดรู้ทันมันถ้าเรารู้ไม่ทันมันจะไปคิดยาวๆพอมาไปคิดแล้วจะเกิด ตก บ, บ้านทุก บ, บ้านเปิดบุญ บ, บ้างบาปว้างมีมกุศลบมางอกุศลบ้างถ้ามีสติอยู่กุศลบ่ได้บุญอยู่ตรงนี้คนละเรื่องกันจะฝึกเจริญสติกันจะฝึกทํางานเน่ยนล่างกนนะถ้าจะเรียนหนังสือก็เรียนใรู้เรื่องนะจะทํางานก็ต้องทําให้มันรู้เรื่องแต่เวลาจะเจริญสติก็อย่าไปคิดมากรู้สึกลงไปเลย เห็นไหมหนีไปคิดดูไห ม, หไหมออพอจะดูออกไหมอย่างนี้เรียกว่าการหัดรู้ตัวสภาวะนะถ้าเรารู้สภาวะไม่ได้เราทําวิปัสสนาไม่ได้อย่างถึงว่าใจเราไหลไปอยู่ที่มือที่เท้าที่ท้องนะอะไรเงี้ยโดยที่เราไม่รู้ว่าจิตเราหลงไปแล้วการกลายเป็นการไปหลงเพ่งอยู่ทั้งวันเสร็จแล้วมันเป็นสมถะกันไม่ใช่วิปัสสนาจริงหรอกถึงจะไปยกเท้าย่างเท้าก็าไม่เป็นวิปัสสนาเพราะเราไปหลงเพ่งเท้ทาเพ่ทงท้องอยู่ รู้รู้ทันการทำงานของเขารู้ทันพฤติกรรมของเขาจิตมีพฤติกรรมรูรรรมรออกไหมเดี๋ยวก็ไปดูเดี๋ยวก็ไปฟังเดี๋ยก็ไปคิดเดี๋ยวก็ไปเพ่งเดี๋ยวก็ไปหาเดี๋ยวก็ไปตั้งท่าปฏิบัติตั้งหัวตั้งใจปฏิบัติเนี่ยจิตเอกคิดสั้นไหมรู้ออกไหมเออต้องอย่างนี้นะถ้าทําตรงนี้ไม่ได้ยังทำนิสสนาไม่ได้เพราะเราไม่เห็นสภาวะ ถึงไม่เห็นรูปนามไม่รู้รูปนามทำวิปัสสนาไม่ได้ได้แต่คิดเอาได้แต่เพ่งเอาเป็นไงดูพระเถะิดเถิดรู้ว่าเถิดนะดีแล้วขยันนะมาขนันนะนะหัวหน้าลาขยันดีดเรื่องขึ้นเยอะปฏิบัติ แ, บบแล้วรู้สึกไหมมันมีความสุขมากขึ้น มีความสุขทันทีเลยนะไม่ใช่ลำบากก่อนแนละ้วสบายเมื่อปลายมือไม่ใช่นะทันทีที่มีสติเราก็มีเครื่องอยู่เปนสุขในปัจจุบันนะันไม่ใช่ว่าตอนนี้ต้องลำบากแนละ้วต่อไปถึงจะสบายทันทีที่มีสติทันทีที่รู้สึกตัวมีความสุขแนละ้วว่าจิต ท, ที่รู้สึกตัวมีสติเป็นมหาสุขเฉลีิต มหาภูสุรจิตมีเวทนาสองอย่างครบโสมานั้นเวทนาเบิดบานใจจะอุจจจะขาเป็นกลางใจเครียดเครียดใจหนักหนักใจแน่นแน่นมะีหกภูสุลนะเวลาเราสูงเ้าใจเราแน่นพึ๊กเลยติดหักไปหมดเลยนี่เราทํำหกภูสุลขึ้นมาแล้วยความเข้าใจผิดแต่ถ้าเรารู้สึกตัวได้มีสติรู้สึกตัวได้จิตจะเปิดบานบางทีเช่นจตจะสื่อแบบนี้หาอใจหนับรอยเป็นหลอด้วย ต้องตื่นอย่างนี้ต้องตื่นเอาไว้ไม่ใช่ไปนั่ฝันนั่งคิดนั่งกําหนดนั่นหลงไปทํางานโดยที่ไม่รู้ว่าไปทำงานเรียกหลงไปคิดแล้วใช่ไหมทําอะไรอยู่ตรงนี้เห็นไหมไม่เหมือนกันหรอกไหมอย่างตอนนี้สงสัยเกิดขึ้นแล้วสงสัรู้ลงไปที่สงสัยรู้ลงไปที่ลักษณะีลักษณะเดียวสีนะ้าเรจะเห็นเกิดดับเกิดดับ ยิ่งขยันดูเราจะเป็นเกิดดับเยอะยิ่งเห็นเยอะเราก็ยิ่งตัดตัดสินความรู้เร็วไม่ใช่สามวันที่เห็นเกิดดับครั้งหนึ่งก็ไม่ตัดหรอกเวลาส่วนใหญ่เป็นเวลาที่เอาไปหลงกิดแล้วเราเห็นเกิดดับบ่อยรู้สึกวักวักวักูทาําะแนนได้เยอะเลยคุณลัชนีมีอะไรไหมเชิญ ขอให้ท่านอาจารย์อธิบายคําว่าจิตตั้งมั่นกับเพ่งจ้องอม่เหมีความรู้สึกว่ามันสองคุณรัชดีมันไปนเพ่งจ้องนะคือจิตที่ตั้งมั่นเนี่ยมันตั้งขึ้นมาด้วยสติด้วยปัญญาส่วนการเพ่งจ้องเนี่ยมันเป็นกับปัญหาอยากปฏิบัติอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากได้แล้วก็จ้องลงไปเลยเอาลองคุณรัชดีเราปวดไม่มือเอง เราเพ่งเลยเพ่งให้เหลือจต่หัวไม่มือเลยเราเพ่งให้เต็มที่ไปเลยให้จิตเกาะไปใส่เลยลืมโลกไปเลยลเลยนี่ยรู้สึกไหม ม, มันเหมือนเราหายไปจากโลกหรือเหลือแต่หัวไม่มืออีกนี้เรียกว่าเพ่งเหมือนแสงตัดตาทีอ่าเนือที่แค่นี้เนื้แนนแอแต่อายตนะสองตัวหมดความรู้สึกเฉยเฉย ล, ลืมกายลืมใจนี่เรียกเพ่ง ไม่ถูกเป็นกันนี่เหมือนกระใจเราลิเคลื่อนไปอยู่ที่นี่<ม>เหมือนจิตเราส่งออกคือทุกวันนี้บางครั้งถ้าราู้สึกตัวนะก็ไปดูกายอือ<ม>นะคือไม่ได้ดูใจตลอดดูกายก็ได้เหมือนกันแต่ดูกายไม่ใช่เพ่งกายเนาอย่างเพ่งหัวไม่มือกับเท่งกายทั้งกายก็เหมือนกัน<ม>ให้เราแค่รู้รู้สบายสบายรู้เบาเบารู้อย่างปลอดปลงไม่ใช่เพ่งกาย รู้สึกในความมีอยู่ของกายกายเคลื่อนไหวเนี่ยจะไม่มีน้ําหนักแต่ถ้าเพ่งกายอยู่กายจะมีน้ําหนักขึ้นมาจิตเนี่ยถ้าเรารู้เฉยๆจิตก็ไม่มีน้ําหนักถ้าเราเพ่งจิตจิตก็มีน้ําหนักขึ้นมาจำเข็นเมืม่อเวลาเรากำหนดลงไปมันรู้สึกหนักขึ้นมากายก็หนักใจก็หนักใจหนีไปคิดสักไหมเนี่ยหนักอย่างนี้แล้วนะจิตเราจะตื่นขึ้นมา ก็เป็นจิตผู้รู้มันจะเกิดขึ้นมาคือจิตมันมีสองห น, าน้าหนึ่งไงถ้าไม่ใช่จิตผู้รู้ก็เป็นจิตผู้หลงครับอาจารย์แต่ก็ไม่สามารถทำได้ทั้งวันทำไม่ได้คือทำไม่ได้ไม่ใช่ทำไม่ได้ทั้งวันนะทีเดียวก็ทำไม่ได้นิดเดียวก็ทำไม่ได้ถ้าทำได้มันจะเป็นอัตตาไม่ใช่เป็นอนอัตตาหน้าที่ของเราก็คือเราคอยตามรู้ความเป็นแปลงของกายของใจไปคุณรันชนีอย่านั่นจ้อง ผมว่าเรานั่งอยูน่นั่งสบายๆเนี่ยนะนั่งไปแล้วถ้าจะเห็นว่ามันนั่งอยู่ไม่ได้หรอกเดี๋ยวมันก็ต้องขยับมันเมื่อยต้องขยับไปขยับมาเดี๋ยวตาเราลืมตานานๆก็แสบตาก็าต้องกระพริบอย่างเงี้ยในร่างกายมันของที่บังคับให้หยุดนิ่งไม่ได้ที่เราไปรู้สึกอย่างเงี้ยแล้วทางจิตใจก็บังคับให้หยุดนิ่งไม่ได้เปลี่ยนแปลงตลอดอย่าไปเพ่งนะถ้าเพ่งแล้วมันดื้อเคยเห็นไหม ทม่ทำเพื่อใจฉนทำสมถะนะเป็นสมถะสมถะนี่มีงานที่ต้องทำมากมีปัสนาไม่มีงานต้องทำมากสมถะทำยากมีปัสนาทำง่ายสมถะนี่จิตไม่สงบต้องทำให้สงบจิตไม่ดีทำให้ดีสงบแล้วดีแล้วต้องคอยรักษาไว้เป็นงานที่ยากส่วนมีปัสนาง่ายมากเลยจิตสงบรู้ว่าสงบ ผิดพื้นสร้างหรือว่าพื้นสร้างไม่รักษาไม่แก้ไขก็ไปไม่ได้เพราเรามีสติรู้ทันความปรุงแต่งเกิดได้ตอนเกิดเท่านั้นคุณรัชนีถ้าคุณรัชนีเกิดสติที่มาความปรุงแต่งจกขาดทันทีเลยสังเกตดูนะจากครั้งที่แล้วอ่อารมณ์พื้นสร้างพื้นเฟิรน้อยลง อ, อาจจะว่าพอรู้แล้วมันก็หายแล้วคือสังเกตตัวเองไปก่อนที่เคย ซึมซึมสักสามวันแล้วค่สาเหตุไม่ได้เน่นว่ามันเกิดอะไรแล้วมันข้ามลำคานต<ม>ัวเองพอหลังจากครั้งที่แล้วเนี่ยมันเริ่มซึมดีึ้นละเออนะเราเห็นพอ เ, เห็นห น, นี้เดี๋ยมันไหายเอนะคุณลัชนีเห็นมันซึมเนี่ยเริ่มดีแล้วหรือว่าจิตมันซึมรู้ว่าซึมสิ่งที่จะเรจ้องไม่ใช่ไม่ได้เจตนารู้เลยมันรู้เองแต่ถ้าจ้องนี้นะเราจะสร้างข้าหรือยังไม่ทันจะรู้อะไรเลยนั่นรอนดูแล้วว่าเมื่อไร่อะไรจะเกิดขึ้น พอเริ่มปฏิบัติก็อย่างนี้นะจ้องว่าเมือ่อไหร่อะจะเกิดขึ้นอย่างนี้จ้องไว้ก่อนใช้ไม่ได้นะเพราะพระพุทธเจ้าก่อนให้ตามรู้ว่ามันเป็นยังไง ร, รู้ว่าเป็นยังไงอย่ ง, อยงจิ ต, ตัอนนี้จิตเราฟังใช่ไหมฟังแล้วก็หนีไปคิดใช่ไหมดูออกไหมฟังแล้วก็คิดฟังแล้วก็คิดสลับไปสลับมาแค่เรารู้ว่ามันฟังรู้ว่ามันคิดนี่จบแล้วนะการปฏิ บ, บัติง่ายขนาด น, นั้นเอยแล้วความรู้สึจะเกิไม่ได้คุณรัชนีรู้สึกไหมเหมือนเราตื่นขึ้นมาแล้วตอนเนี้ย ความรึกตัวมันชัดมันเบามันไม่ได้เคร่งเครียดไม่ได้หนักไม่ได้ซึมอันนั้นเป็นด้วยองของโมหะเท่านั้นองจิตนี้ไปคิดหรือว่าจิตหนีไปคิ ด, คดไม่ห้ามนะถ้ามไม่ได้นะ้คุณรชดีจับตรงนี้ให้แม่นๆ น, นะเราปฏิบัติเนี่ยเพื่อให้เห็นความจริงว่าเราบางังคับกายกับจิตไม่ได้ไม่ใช่ฝึกจนกระทั่งบงังคับได้นะตรงนี้ต้องจำให้แม่นๆเลย เราฝึกจนเห็นความจริงว่ากายกับจิตเึ็นของบังคับไม่ได้ไม่ใช่ฝึกจนบังคับมันได้หรือสีชีพใครทั้งหลายเขพยายามฝึกบังคับมันพระพุทธเจ้าบอกให้รู้ตามความเป็นจริงก็จะเห็นว่าเออมันไม่เที่ยงนะมันเป็นฟุ้งมันทนอยู่ไม่ได้มันเป็นอนัตตาบังคับไม่ได้ที่เห็นธรรมะดั้นเราต้องรู้สึกตัวถ้าเราไปนั่งจ้องซึงไม่เกิดปัญญา ถ้าคุณนั่งข้างหลังเนียนะอย่าหนีไปฝันนะคือใใจมันไหลไหลไหลไปในความคิดเราไปรู้สึกไว้ไปรู้สึกตัวรู้สึกตัวบ่อยๆรู้กายรู้ใจไปเนี่ยเราไปยักหน้ารู้สึกเห็นรูปนี้มันเคลื่อนไหวรูปธรรมนามธทําเคลื่อนไหวไปเรื่อยเื่อยเราเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดู ไม่เป็นผู้แทรกแซงไม่เป็นผู้บังคับไงจิตวิรัชนีหนีไม่ทํางานอะไรทราบไหมทราบแค่นี้เองแค่แค่นั้นเองใช่ถูกต้องแค่นั้นเองแล้วเราก็จะตื่นขึ้นมาเลยเราจะหลุดออกจากโลกของความคิดความฝันกนะ็มีอันใหม่ก่มีอันใหม่ข้ามาเพราะอะไรเพราะจิตที่เผลอไปเนี่ยก็ไม่เที่ยงจิตที่รู้สึกตัวก็ไม่เที่ยงจิตที่หลงไปเป็นอกุศล จิตที่รู้สึกตัวเป็นปูชนีจิตที่เป็นปูชนีเกิดแล้วก็ดับจิตที่เป็นปูศนเกิดแล้วก็ดับเหมือนกันหน้าที่ของเราก็คือทําจิตที่รู้สึกตัวนี้ให้เกิดบ่อยบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นสติสติขึ้นขีขึ้ น, นแทนที่เราจะเดินนี่เราเวลาเราหลงไปในความคิดเนี่หลงไปเป็นชั่วโมงตอนนี้มาไหลแวบไปนในความคิดแล้วสติรู้าทานนันนี่พบชาติที่จะไปปรุงแต่งในขาดสบบ้านลงไปเลย เราจะหลุดออกจากโลกของความคิดกําปฝันมาอยู่ในโลกของความรู้สึกตัวนะถ้ารู้สึกตัวได้นั่นแหลเรียกว่าเรามีผู้รู้แล้วมันมีอีกอย่างนะอาจารย์ที่สังเกตดูหลังๆเนี่ยมันก็ไม่ไม่อยู่ทั้งทั้งชอบใจกับไม่ชอบใจบางทีเราแบบเออตอนนี้เราเฉยๆเออไดมั น, นมีสา ม, มช้อยนะไม่บวกไม่ลบก็เป็นกลางเฉยๆแต่เฉยๆต้องระวังนะเฉยมีหลายเฉย เฉยโง่ก็มีเฉยแบบไม่รู้เลยไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นเฉยๆแล้วเฉยแบบซึงๆก็มีหรือเฉยเพราะปัญญาเช่นเราเห็นความโกรธเกิดขึ้นมาถึงความไม่ชอบเกิดขึ้นมาเราไปรู้ทันใจมันเป็นกลางมันจะเป็นกลางแบบนุ่มๆนะอ่อนโยนนุ่มนวลหนุนเย้กลางอย่างนี้ใช้ได้แต่ถ้าเห็นความโกรธเกิดขึ้นมันมันจ้องเอาไว้ให้ใจเราเป็นกลางนิ่งๆไม่เอาความโกรธอย่างนี้ไม่เองนะผิด เพั้นเบรกขาเ็าไม่ไปทำขึ้นมาเบรกขามีหลายเบรกขาเลยเบกขาบางอย่างเป็นโมหะเบรกขาบางอย่างเป็นปัจจัญญาอย่างถ้าเราเห็นวนะ่าความโกรธเกิดแล้วดับกุศนละเกิดแล้วก็ดับเหมือนกันนะสุดจิตเป็นกลางต่อความพรุงแต่งทั้งดีทั้งชั่วนะประตูของอริยมากอยู่ตรงนั้นนะ ตัวของอริยมรรคอยู่ตรงที่จิตของเราเนี่ยมีปัญญาเจนกระทั่งมันเป็นกลางต่อความปรุงแต่งฝ่ายดีและฝ่ายชั่วไม่ใช่เกลียดชั่วเอาดีนะเกลียดชั่วเอาดียังไม่ใช่ยังไกลจิตไปทำอะไรก็น่าจะีเออนะรู้ทันไปอีกกำลังคิดถึงตำราที่เรียนนะครับหมอจะต้องฟังอ้าเคยได้ยินคำนี้ไหม ถ้าสอนบอกอะไรนะรู้หมดมแล้ให้ทิ้งทั้งหมดทิ้งหมดเลยได้หมดเลยจริงที่เรียนมาตั้งแต่สมัยเด็กมันก็คือคิดดีรักทั่วนะแ ต, แตแ่อย่างท่านอาจารย์ตายคือมันเป็นการจงใจใช่ไหมใช่รู้ว่าอันนี้ไม่ดี เ, เราไม่ชอบเราก็เลยเราะฉะนั้นใจเราก็าจะเบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวาตลอดเป็นกลางไม่ได้เราก็ติดกรักสุขเกลียดทุก ใช่ไหมรักดีเกลียดชั่วถ้ายังรักอันหนึง่งยังเกลียดอันหนึ่งเนี่ยไม่เป็นกลางจิตจะไม่มีทางเป็นไปถึงสังขารหรือเบีกขายานสังขารหรือเบียกขายานเนี่ยจิตมีปัญญาเห็นสังขารทั้งหลายตางความเป็นจริงก็เลยเป็นกลางกับมันไม่รักไม่เกลียดนะไม่ใช่รักข้างหนึ่งเกลียดข้างหนึ่งนี่ไปทําอะไรนะสุรชนีดูออกไหมห้ามไม่ได้นะ เออนูกต้องเห็นไหมเริ่มรู้แทนจิตแล้วแต่แต่มันก็หยุดความคิดมันมันมัขาดของมันพีกเราไม่ไปยุ่งกับมันนะไม่ห้ามมันไม่เห็นแล้วคิดอีกแล้วแค่นั้นก็จบแล้วความปรุงแต่งนะก็ขาดหมดเลยเหลือความรู้สึกขึ้นมาแทนจะรู้สึกตัวขึแทนเห็ไมไปอแล้วไปแล้วก็แค่รู้แค่รู้ก็ดับ รัชชีเห็นไหมว่ า, ากุศลกับอกุศล น, นี่นะเกิดสลับกันอย่างรวดเร็วเลยอกุศลเกิดแล้วไหลาไปสติเกิดขึ้นมาอากุศลไม่มีแล้วเกิดกุศลแทนกุศลตั้งอยู่ได้ชั่วขณะแวบเดียวก็ไหลอีกแล้วเสร็จแล้วเราจะเห็นอย่างนี้เดี๋ยวรู้เดี๋ยวเผลอเดี๋ยวรู้เดี๋ยวเผลอสลับไปเรื่อยๆในสุดจะเข้าใจความจริงว่าทั้งสองฝั่งนี้เราเอาไม่ได้เลย ความรูอสุกอยู่อย่างนั้นถ้าเกิดติดติดในการกราบสุภาจารแต่ค่อนข้างยังไม่ต่ามรู้ให้มันติดสิ่ที่รู้สึกได <c oughs> ้อาจจะชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมอถือว่าพักก่อนนะกไม่สูงนี่เป็นไรพักก่อ น, นอมีความสุขมากกว่าวนั้นอยู่นะความสุขที่จิตเราค้นจากการสุขเหบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวาเมื่องไร ถ้าเราเรู้ก็เป็นเปกิดถ้าเ ร, า, เ ร, า, ร, า, ราไม่รู้ก็แค่เหมืนกัี่เขาไปอ่าใช่เพราะว่าความสุขเนี่ยเกิดกับกุศลกับจิตก็ได้เกิดกับอกุศลและจิตก็ได้อย่างจิตเราไปตกปลาไปชิ่งปลาม็ปลาติดแล้วโอ้มีความสุขอย่างนี่สุขประกอบด้วยกุศลหรือเกอลียดันนี้มากเลย ยิงหัวมตายได้ไหมมีความสุขีความสุขประกอบด้วยอกุศลได่เราหนใจจะมีคามสุขนวิญจมีความเรารักกไหล้านมสุนู่านั่นแหละทัญหาของนู่นานึงจุดนี้แหละขึ้นมาอย่าลงไปนอนแช่อยู่ในหลุมของความสุขขึ้นมาแล้วเป็นมูน โมหะประกอบคือโมหะเนี่ยคือการที่ไม่รู้สภาวธรรมตามความเป็นจริงลงไปแช่แล้วไม่รู่าแช่แล้วก็ลงไปแช่ด้วยความเพ้อเกิดหอใจก็เป็นหลาาักะนนดังนั้ขณะนั้นจิตของเราถูกกีเดเย้่ยมหยู่ง่ายๆนะไม่ต้องไปถามมัน ดูลงไปเลยว่าใจเรากําลัลงเกลียดกันอยู่เราไม่อยากฟุ้งอ่ะดูไปที่ความอยากตัว น, นี้นะถ้า ต, ตัวนี้หลุดนะไอ้ความทุ้งนั่นจะขาดหายไปหมดเลยเพราะงั้นเวลาอยู่ๆความฟุ้งเกิดขึ้นถามว่าอยู่ๆความฟุ้งเกิดขึ้นได้ไหมไม่ได้หรอกสิ่งทั้งหลายต้องมีเหตุแต่เราอาจจะดูเหตุยังไม่ออกมันก็ฟุ้งขึ้นมานะอย่างความกังวลใจเกิดขึ้นเนี่ยบางทีไม่รู้กังวลอะไรนะลึกๆมันกังวลเย่างนี้มันก็เครียดขึ้นมา เคศีย ข, ขึ้นมาเราเห็นความทุกข์ความเคศียดเกิดขึ้นเราอยากให้หายเอ้ะเมื่อไหร่จะหายเอ้มอ ะ, ะอมันมาจากไหนนะทํายังไงจะหายนะที่กําลังฟุง้งซ่านอยง่ฟุง้งหรือว่าฟุง้งซ่านเกลียดมันรู้ว่าเกรียดมันเกลดมันเป็นโทสะนะเป็นโทสะซ้อนเข้าไปอีกสวนแล้วเรารู้ทันอยู่ที่จิตของเราเพราะฉะนั้นเวลาจิตไปรู้ความสุขเราก็รู้ปฏิกิริยาของจิตจิตพอใจรู้ว่าพอใจ พอไปรู้ความทุกข์จิตไม่พอใจหรือว่าจิตไม่พอใจอย่าพยายามมากนะพยายามมากอื่นไปลดความพยายามล ง, ลงแล้วสังเกตคนระับรู้สึกเนอรู้สึกเราะง่า น, นิดเดียวหรอกอย่าไปดูมันเปลี่ยนไปดูอย่างอื่นแล้วมันก็ดับเลยว่าจิตรู้ว่ารมณ์ได้ครั้งได้อย่างเดียวอย่างมหาบวัวท่านเคยเล่าเได้ยินท่าน ตอนนั้นท่านฉันยายาจีนหรือยาอะไรบอกเหมน็นเหม็นทั้งเหมน็นทั้งผมท่านบอกเวลาที่ฉันนี้ท่าเอาจิตไปไว้บนคือเพราะฉันสบายเลนะาจิตมันรู้ว่ามันได้อย่างเดียวเราจิตที่รู้คือแล้วมันก็ไม่รู้แล้วไม่อยาเหม็นหรือยาไม่เหม็นมันทุกข์มากนะนนี้เป็นอุบายแก้นะไม่ใช่วิปัสสนานะเป็นวิธีแก้แบบสมถะมันเทรียดมากก็อย่าไปดูมันสิ ไปดูของอยู่แต่ถ้าจะทํำวิปัสนาเครียดขึ้นมารู้ว่าเครียดเครียดแล้วอยากให้หายเครียดรู้ว่าอยากให้หายเครียดใจเป็นกลางต่อความเครียดแล้วความเครียดต้นจะหลุดออกไปเลยถ้าใจไม่เป็นกลางก็คือเรายึดถืออาไว้ไม่หลุดหรอกหลายชั่วโมงไม่หลุดแต่ถามว่าเราหลุดไหมหลุดถามว่าความทุกข์เกิดขึ้นมันจะดับได้ไหมดับไม่ต้องไปดับมันหรอกถ้ามันหมดเหตุมันดับ อย่างเราคลุ้มใจใช่ไหมเขานอนหลับก็ไม่คลุ้มนะไอ้ความคลุ้เองเขไม่เที่ยงแต่ถ้าเราอยากให้มันหายนะเรายิ่งทุกข์หนักปากเก่าอีกเพอะไรล่ะเพราะว่าความอยากทําให้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์อยากให้เหายเทียงยิ่งทุกข์ใหญ่เพราะเราเติมเชื้อของความทุกข์เข้าไปเติมความอยากาว่าไงถามเลยไหมเราแต่นั่งฟัง คือสติแล้วก็เป็นสภาวะธรรมอย่างหนึ่งมีหน้าที่ไปรู้ทันว่าอะไรเกิดขึ้นอะไรเกิดขึ้นทางกายอะไรเกิดขึ้นทางใจให้เป็นญานี่ในขณะที่สติไปรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นแล้วถ้าจิตมีความตั้งมั่นมันจะเกิดปัญญาขึ้นมาทำให้เช่นญาณเป็นตัวปัญญา ก็จะเห็นว่าทุกอย่างนี้ที่ผ่านมาเนี่ยผ่านไครบังคับไม่ได้แต่ประชยญญะเนี่ยมีสีญญญ่อย่างครับพูดภาษาไทยง่ายๆเลยก็คือเรารู้เนี่ยว่าเราทําอะไรทําเพื่ออะไรทําอย่างไรคอยรู้ทันไปเรือยไม่ทําด้วยความงงง่ายในระหว่างทําไม่หลงไม่เผลอไม่ถูกโมหะครอ่อนงำนี่เรียกว่าสปเนียงยะ นีสตัวที่ทําให้สัมปชัญญะเกิดคือประกอบด้วยสองอันตัวหนึ่งคือจิตที่ตั้งมั่นสัมมาสมาธิตัวหนึ่งคุโยนิสงฆ์มโนิตการเคยฟังคำของพระพุทธเจ้าแล้วก็มองได้ถูกมุมได้ปัญญาจะเกิดเพราะฉะนั้นอย่างถ้าเราอยากมีสัมปชัญญะสมมติราคะเกิดขึ้นในจิตเราสติรู้ทันปัจจะราคะเกิดขึ้นมันใจเกิดความอยากจะเข้าไปแก้ รู้ว่าจิตมีความอยากตรงไหนมีสติรู้ทันอีกตีตั้งมันนถึงกลางไม่เข้าไปแทรกแต่งตอนนี้มันจะเห็นเลยว่าราคะนี่ผ่านมาแล้วก็ผ่านใปนี่เป็นตัวปัญญาเราเรียกง่าๆก็ได้ไมนต้องใช้คําว่าสัมมัชัญญาก็าได้สติกับปัญญาสติสมาธิปัญญาถูกคำเพราะสัมมาชัญญามันมีหลายตัวตัวสําคัญคืออะตามโมหะสัมมาชัญญา ความรู้สึกตัวที่ไม่หลงไม่เผลอไม่ถูกมูหัครอบนำในขณะไหนใจลอยในขณะนั้นถูกมูหัครอบนำหลงไปเผลอใจรู้สภาวะไม่ได้อย่างเวลาเราหลงในความคิดเนี่ยไม่มีสัมผัสเชิงยะเพราะว่าหลงไปในขณะที่หลงไปจิต ก, ก็เคลื่อนไปเรื่อยๆไหลๆใจเรียกว่าไม่มีสัมมาสัมพุทธิ์เลยในขณะนั้นคิดอะไรก็ไม่รู้คิดไปเรื่อยๆเล ย, เลยไม่รู้กายรู้ใจเรีว่าไม่มีสติด้วย เพราะฉองค์ธรรมคือสติสมาธิปัญญาทํางานด้วยกันไม่แยกโดดนะโดดนนะแยกโดดโดดไม่ได้เพราะอาริยมรต้องทางานร่วมกันเป็นหนึ่งมรตเป็นแปดมรต ก, ก็จริงนะแต่ว่าจริงจริงมรตมีอันเดียวมีองค์ประกอบแปดอย่างทํางานร่วมกันไม่ใช่ทําสติทีหนึ่งทํำสมาธิทีหนึ่งเจริญปัญญาทีหนึงไม่ได้นะยคิดเลย ในขณะที่สติรูร้ว่าราคะเกิดขึ้นมีสัมมาสติรูร้โดยที่จิตไม่พลังเข้าไปมีสัมมาสมาธิในขณะที่เกิดสติขึ้นมานี่อกุศลมันจะดับไปอกุศลมันจ ะ, จะเจริญขึ้นมาอัตโนมัตินี่มีสัมมาวายามะมีความเปลี่ยนชอบหรือสั ม, สมปทานในขณะที่มีสติระลึกู้กิเลสและเห็นว่ากิเลส เมื่อกีมันมีกิเลสขณะที่รู้เป็นอยุทานนะขณะที่รู้ไม่มีกิเลสหรอกกิเลสเกิลดลําดับมี่แหลสัมมาทิฏฐิมีทฤษฎีที่ถูกในขณะที่มีสติอยู่จิตจะไม่มีกรารามิจ ต, ตกพยาบาทมิจตบมิถิสารมิจตบไม่มีมิจฉาวาจาไม่มีมิจฉากรรมมันตามไม่มีมิจฉาชีวะองค์มรรคเ ก, กิดขึ้นครบเลยแต่ถ้าเผลอไปไหน เสือไปก็มีการมรรคพิจมมีพยาบาทมพิจกมีวิหิงสาพิจกเสลอไปก็มีมิจฉาวาจามิจฉากรรมตางมิจฉาชีวะเสลอไปจิตก็ไม่ตั้งมั่นเป็นมิจฉาสมาธิไม่มีสัมมาสมาธิเสลอไปกุศลก็เกิดกุศลดับไปไม่มีสัมมาวายามะเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเรารู้สึกตัวไหมอะไรแลปลกปลอมเข้ามาใงกายในใจคอยรู้สึกไป้อยรู้ทัน นะไม่เข้าไปแทรกแซง น, นะถ้าเข้าไปแทรกแซงก็ไม่มีความตั้งมั่นไม่มีสัมมาสมาธิไหลเข้าไปแทรกแซงไหลไปยินดีไหลมีสติะระลึกรู้สภาวธรรมที่มันกาลังตรากบดด้วยจิตที่ตั้งมั่นจังหวะก็จะเห็นว่าสภาวธรรมทั้งหลายมนะันผ่านมาแล้วผ่านไป<ม>รูปธรรมนามธรรมมันขับไม่ได้นี่ตัวสมัมมาทิฏฐิหรือสัมปชัญญะหรือตัวปัญญาองค์ธรรมมันเยอะนะ ทำเงินด้วยกันของเรื่องแบบนี้ถ้าไม่คิดกันได้ไปรู้สึกไปเลยคิดเป็นยังไงร่างกายเป็นยังไงไปรู้สึกอยากใจลอยอยากใจลอยมาตอนนี้ทําอะไรจิตเนี่ยทำอะไรเออคิดรู้ไอ้คิดจบนะมีสติรู้ทันว่าคิด มีสติทันทีที่รู้ทันจิตก็หลุดออกมาตั้งมั่นก็จะเห็นในความคิดเกิดขึ้นมาที่ลงไปเสียจิตหลงและตับไปแล้วเนี่ยเกิดกลับไม่โตปัญญาง่ายเดียวเนะลยเวลาพูดลราเยอะถต่ว่าลงมือทำางง่ายมือนาไม่เอาเ อ, นะอย่างนั้นนะ ไ, ไม่ทําอย่างนั้นไม่ทําไม่ไม่เท่งแล้วก็ไม่นอนแช่ เห็นมืน่อกี้แเพมาอึไหม่ไม่ตึงห น, นักเกินตัวแบบไม่ดีตลอเพ่งรู้ว่าเพ่งนะคุณตาม้วนมีอะไรไหมคุณสมบสูรสบายดีถ้าจะลั่งซ้ำอันนั้นฟนะอนี้เหนื่<ว><ะ>อนนย น, น, นะออมไม่รู้วรื่องเลยคะอืมแล้วูรู้บ้างหรือเกียได้บ้างไม่ได้บ้าง อือ ไ, ไม่ผิดสีลเหรอท <c oughs> ํามากินไก่โลกเข า, ถ, าถือว่าผิดศีลมีโลภะขึ้นมานะเขารู้ทันมันแต่ถ้าเห็นปุ๊บก็ไปหากินทางอื่นเพราะว่าเล่นพุ่มมันต้องจ้องตามไม่สักทีแล้วมันเหนื่อย อพอไหมถ้ใส่ให้มีรูปท่านพระจันใหญ่ม้างท่านพระจันมั่นแจกเหลือแค่นี้เองแจกมาหลายวันหมดแล้วถ <c oughs> วายท่านมีเยอะนะเสือพิมพ์ม เ, เลยเออเอาคุณรัศดรพิมพ์มีนหรอเนะี่ย คือสภาวะว่างว่างมีหลายว่างนะว่างแบบไม่รู้เรื่องอะไรเลยก็มนะีว่างว่างแบบใจเป็นปล่อยวางนอะ่ะทีอย่างเงี้ยดีแต่ถ้าว่างที่เราทำขึ้นมาไม่ดีนะ ไม่คิดเรื่องอะไรกันดีแต่รู้รับรู้ว่ากําลงจะทําอะไระไ ร, รู้สึกเราแต่แต่ว่าอย่าไปบังคับเขานะถ้าบังคับแล้วจะแข็งแข็งิเกลียดไม่บังคับมกักบยสบาย่ายากีก็ต้องพยายามดูว่าท่านบอกไหลต้องนเตเองดว่าให้หหหมันไหลยังไงจะไดู้ว่าาตามการไหท่านอนเดูออกไหมล่ะ ใช่ใช่แต่ตั้งอะไเรารู้ว่าตื่นนี่แหละหลวงปู่ดูลเรียกว่าส่งกิดออกนอกครับส่งเกี่ยวนอกมีเยอะนะส่งไปทางตาส่งไปทางหูอย่าง่ที้ส่งไปทางใจหรืออย่างเราเปนั่งเข่งทั้งหมดนี่ออกนอกนั้นอ่ะใจเรารู้ตออไปจากความรู้สึกตัวเรกหลงหมดเลยบางทีบางครั้งเมื่อไหร่สบายเบาเรู้ว่าเบานนะเบาแล้วชอบรู้ว่าชอบ ต้องระวังคือพอมันสุกมันสบายแล้วบางทีราคะแทรกเราเกิดยินดีพอใจเราเฉยๆนะเร า, าเรารู้ใจถ้าใจเรายินดีต้องรู้นะตราเฉยๆไปเรื่อยๆยังไม่เวลาเร่องเน้ยตใจต้องปล่อยให้เขาทำงานาตามธรรมชาติตาใช่ใช่รู้ไปอย่างนี้นรับสบาย รัชินีเรียนเร็วเนย น, น, นะเอ อ, <c oughs> เ อ, อน่าดีคือแต่